จเจริญพรโยมทั้งหลายไม่ต้องทํามาหากินเลยเนาะหลวงพ่อเราแปลกใจมากเลยไปเทศวันอาทิตย์นโะยมเยอะนี่ไม่แปลกใจนะเทศวันจันทร์โยมก็เยอะวันศุกร์ก็เยอะนะทําบุญมาดีไม่ต้องทํามาหากินสมัยก่อนหลวงพ่อนะกว่าจะไปหาครูบาอาจารย์ได้แต่ละครั้งนะต้องเก็บวันหยุดไว้รับราชการ วันหยุดมีไม่มากเก็บเงินไว้เก็บวันหยุดไว้สมเดือนสี่เดือนถึงจะได้ไปสักครั้งหนึ่งรอเวลามีวันหยุดราชการจะต่อเนื่องอเราลาหัวลาท้ายลาตรงกลางอะไรอย่างนี้ ม, มาดูพวกเรารุ่นหลังเนี่โอ้มีบุญจังเลยเที่ยวสแสวงหาธรรมะเที่ยวฟังธรรมะไปเรื่อยๆ<ม>แล้วก็ดีนะฟังธรรมะไว้ศึกษาไว้คนไหนศึกษาไว้ได้ก็ ถือว่ามีบุญนั่นแหละเพราะธรรมะเนี่ยศึกษาแล้วเราจะมีความสุขคนในโลกมีแต่ความทุกข์เที่ยวแสวงหาความสุขกันทุกคนแหละแต่หาไม่เจอนี่ศาสตร์ของาศาสนาพุทธนะเป็นาศาสนาที่เป็นาศาสตร์ที่เราศึกษาแล้วเราจะพ้นทุกข์เราจะพบความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นาศาสตร์เดียวที่เราต้องเรียนในโลกก็มีาศาสตร์ ต่างๆเยอะแยะนะมีวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์อะเนี่ยนิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตรนะ์แพทย์ศาสตร์เลยเนี่ยศาสตร์แต่ละศาสตร์นะมันล้วนแต่ทําให้เราเป็นผู้ชํานาญการแต่ละด้านแต่ว่าไม่ว่าจะเรียนเป็นผู้ชํานาญการด้านไหนถ้าขาดการศึกษาธรรมะแล้วมันหาความสุขในชีวิตที่แท้จริงหายากที่สุดเลย เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีความสุขนะเป็นอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีความสุขจริงเป็นหมอเป็นอะไรนะหาความสุขไม่ค่อยจะได้เพาะฉนั้นศาสนาพุทธเป็นาศาสตร์อีกาศาสตร์หนึ่งนะที่เราควรจะเรียนแต่ละคนก็เรียนอย่างมาเทศในมหาวิเลยนักศึกษาก็มีหน้าที่เรียนหาความรู้ในวิชาชีพในวิชาการของตัวเองไปในขณะเดียวกันถ้าคนไหนฉลาดหน่อยก็มาศึกษาพุทธศาสตร์อีกอันหนึ่ง นอกจากจะมีวิชาความรู้ไปทำมาหากินได้แล้วเราควรจะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยทำไมเราจะต้องมีชีวิตแบบรุ่มรุ่ ม, มดอนๆ อ, อนเต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่จําเป็นเลยถ้าเราได้ศึกษาธรรมะซะก่อนงั้นหลวงพ่อก็ดีใจกับพวกเรานะมีบุญอยากมาฟังเทศวันไหนก็มาได้น่าฟังแล้วลองเอาไปทำดูเราจะพบว่า ถ้าใจของเรามีธรรมะเมื่อไหร่ถ้าธรรมะมาสู่จิตใจของเราเมื่อไหรนะ่จิตใจมีความสุขอย่างมหาศาลไม่รู้จะเปรียบกับอะไรนะคนในโลกวิ่งหาความสุขตลอดชีวิตเลยความสุขเหมือนภาพลวงตาความสุขเหมือนเงาวิ่งไปวิ่งไปนะเหมือนจะหยิบมันได้เหมือนจะจับไว้ได้แปบเดียวก็หลุดมือไปอีกแล้วต้องวิ่งหาอีกอย่างหนุ่มๆใช่ไหมอยากมีแฟนสักคนคิดว่ามีแฟนแล้วมีความสุขอนะไรอย่างี้ วิ่งหาแทบตายนะพอได้มาแล้วก็เหมือนก้อนั้นๆเลยนะต้องวิ่งต่อไปอีกนั้นชีวิตตลอดชีวิตนี่มีแต่เรื่องต้องวิ่งหาไปเรื่อยวิ่งหาความสุขไปเรื่อยวิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อยทุกคนต้องวิ่งอยู่อย่างนี้เรื่อยเพราะไม่รู้หรอกว่าความทุกข์จริงๆมันมาได้ยังไงความสุขมันเกิดขึ้นได้ยังไงศาสนาพูดมาตอบคําถามให้เราตรงนี้เองว่าความทุกข์มันมาได้ยังไง ถ้ารู้ทันมันความทุกข์ก็ไม่มาถามว่าความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่ไหนความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจพวกเราลองสังเกตตัวเองดูความทุกข์ของเราอยู่ที่ไหนความทุกข์ถ้าไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจความทุกข์ก็อยู่แค่นี้เองเราลองมาสังเกตดูว่ามันมาได้ยังไงความทุกข์ในร่างกายมาได้ยังไงลองสังเกตดูหนึ่งเรานั่งอยู่นะนั่งให้สบาย นั่งสบายๆล้วก็คอยรู้ไปเห็นร่างกายมันนั่งไปนั่งไปไม่นานเลยเราก็เห็นว่าความทุกข์มันมาแล้วมันปวดมันเมื่อยมันคันต้องขยับเขยื่อนต้องเปลิดอิริยาบถเพื่อจะหนีความทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวขยับไปนะขยับไปแล้วก็แต่เดี๋ยวเดียวความทุกข์ตามมาตึงอีกละก็ต้องขยับหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆ แลร่างกายนะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษหรอกเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลรักษามากมายเลย mm hmm. เพื่อจะให้มันมีความสุขสักหน่อยหนึ่งมีความสุขได้เดี๋ยวนะเดียวนะเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วอย่างเราหิวข้าวเป็นทุกข์นะเราก็ไปกินข้าวกินมากไปหน่อยก็ทุกข์อีกแล้วกินพอดีพอดีนะบันเทาทุกข์ไปชั่วคราวกินข้าวเสร็จกระหายน้ําก็ทุกขนะ์อีกแล้วนะอ่ะกินน้ําไปอีกสักพักเดียวก็หิวอีกแล้ว เนชีวิตมันวนวนวอยู่อย่างงี้นั้นะในร่างกายนียมันมีความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆหมาล่าเนื้อวิ่งไล่กัดตลอดเวลาเราเป็นเนื้อเป็นกวางวิ่งหนีหนีทันนะหนีทันไหมหนีได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ตามมาทันเราอีกสุดท้ายทุกคนหนีไม่รอดนาทีสุดท้ายของชีวิตความทุกข์ตามมาทันแน่นอนเลยเราทุกคนจะต้องถูกฆาตกรรม ตายหมดนะถึงไม่เป็นไข้หวัด 2,009 ก็ตายเนี่ยชีวิตลงท้ายนะมันก็คือมันหนีความทุกข์ไปไม่รอดหรอกจิตใจละ่ะจิตใจเราก็มีความทุกข์ตลอดเวลาเราสังเกตดูที่ใจเราสิใจเรามีความอยากขึ้นมาเมื่อไหรใจก็มีความทุกข์เมื่อนั้นแค่อยากมาฟังเทศใจก็กระวนกระวายแนละ้วจะมาทันไหมได้ข่าวว่าบางคนมาตั้งแต่9ก้ามงเ้า ก้างเช้าหลวงพ่ อ, อยังอยู่แตนะ่มอเตอร์เวยมาแล้วก็กระวนกระวายจะเข้ามาได้ไหมจะได้ที่นั่งไหมได้ที่นั่งแล้วจะมีโอกาสถามปัญหาไหมนะมีความทุกข์เยอะแยะเลยเมื่อไหรที่ใจเกิดความอยากขึ้นมานะใจก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาความอยากไม่ได้น้อยๆความอยากไม่มีที่สิ้นสุดความอยากเกิดอยู่แทบตลอดเวลา เดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากรู้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งกระทั่งอยากปฏิบัติทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นใจก็จะถูกบีบคั้นถ้าภาวนาไปช่วงหนึ่งนะจะเห็นเลยว่าความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใจก็ถูกบีบคั้นเมื่อนั้นใจถูกบีบคั้นเมื่อไหร่ใจก็ทุกข์เมื่อนั้นความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่า ห่วงน้ําใหญ่โตเสมอด้วยตันหาไม่มีภาษาแขกก็มีนะนาทีตันหาสมานาทีห่วงน้ําใหญ่โตกว้างขวางเท่ากับตันหาไม่มีคือความอยากนี่มันมหาศาลมีอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้อยากสารพัดอยากแต่ย่อๆมีหกอย่างอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกาย แล้วก็อยากทางใจเป็นความอยากทางใจความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหรจิตใจก็ถูกบีบคั้นเมื่อนั้นจิตใจถูกบีบคั้นเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นนี่ถ้าเรารู้ทันนะว่าอ๋อความอยากมันมาอย่างนี้นะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยนะั้นเราก็จะเข้าใจว่าความทุกข์มันมาในกายได้ยังไงมีกายอยู่นะความทุกข์มันก็บีบคั้นร่างกายอยู่หนีไม่รอดเลย สุดท้ายต้องถูกความทุกข์ทำลายจนถึงตายแต่ทยงจิตใจเนี่ยถ้ามีความอยากขึ้นมาก็มีความทุกข์ถ้าใจไม่มีความอยากขึ้นมาใจก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกตอนนี้พวกเราภาวนาในขั้นเบื้องต้นเราจะเห็นว่าถ้ามีความอยากก็มีความทุกข์ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่มีความทุกข์อันนี้เป็นความรู้ความเห็นที่พอใช้ได้ ถภาวนาสุดขีดจริงๆเราจะรู้ว่ามีความอยากหรือไม่มีความอยากนะจิตก็มีความทุกข์มีจิตเมื่อไหร่มีทุกข์เมื่อนั้นแหละมีขันเมื่อไหร่มีทุกข์เมื่อนั้นอันนี้เรายังไม่สามารถจะเห็นได้เราเห็นได้เบื้องต้นเห็นว่าถ้าใจมันอยากขึ้นมานะมันจะถูกบีบขั้นถ้าบีบคั้นแล้วมันก็มีความทุกข์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักภาวนาที่เก่งเหมือนกันคนในโลกเขารู้ตื้นกว่านี้คนในโลกเขารู้สึกว่าถ้ามีความอยากยังไม่ทุกข์ถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์ เพราะมีความอยากไม่ทุกข์ถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์เรานักปฏิบัติเราเห็นว่าแค่มีความอยากจะสมอยากหรือจะไม่สมอยากแล้วนะมีความอยากขึ้นมาจิตก็ดินด้นรนจิตดิ้นรนจิตก็มีความทุกข์ถ้าภาวนาสุดขีดเราจะเห็นแต่อีกอย่างหนึ่งนะจะอยากหรือจะไม่อยากนะขันห้าก็เป็นทุกข์นี่ความรู้ความเข้าใจธรรมะนะจะพัฒนาเป็นขั้นขั น, ข, นขั้นไปเป็นลําดับลําดับไปถ้ายิ่งรู้ลึกซึ้งเท่าไหร่ เราก็ยิ่งพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งที่สามารถภาวนาจนเห็นได้ว่าขันเป็นทุกข์นั่นแหละเรียกว่ารู้ทุกข์แก่แจ้งถ้าเห็นขันเป็นทุกข์นะจิตจะปล่อยวางขันจิตไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจถ้าเราไม่ไปยึดมันไว้เราก็ไม่ทุกข์นะความทุกข์มีอยู่ขันมีอยู่แต่ไม่มีคนที่เป็นทุกข์ทุกวันนี้มีคนเป็นทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดไว้เอง นี้เราจะต้องค่อยๆหัดทํายังไงหัดไปเรื่อยจนวันหนึ่งใจมันไม่เข้าไปยึดทางร่างกายนั้นหนีทุกข์ไม่ได้มีกายขึ้นมาแล้วยังไงก็ต้องทุกข์นะสุดท้ายต้องตายศา ส, สนาพุทธไม่ได้สอนให้เราหนีความทุกข์ทางกายนะแต่เราสามารถพ้นทุกข์ทางใจได้เราสามารถพ้นทุกข์ทางใจได้อย่างพระละหันเนี่ยท่านบอกว่าพระละหัน์มีเวทนาทางกายสเสวยเวทนาทางกายแต่ไม่สเสวยเวทนาทางใจ นั่นมันจะพ้นที่จิตที่ใจนี่เองเพราะฉะนั้นเราให้ความสนใจมากๆหน่อยที่ใจของเราดูว่าความทุกข์มาได้ยังไงความทุกข์มาจากความอยากมีความอยากเมื่อไร่ใจก็มีการดินรนด้นรนใจดิ้นรนเมื่อไร่ใจก็ทุกข์เมื่อนั้นค่อยๆสังเกตเวลาความอยากเกิดขึ้นในใจนะค่อยรู้ไว้ความอยากเกิดทั้งวันอนะ่ะคอยหัดดูไปเป็นกรรมฐานที่ง่ายๆอย่างหนึ่งนะกรรมฐานอย่างนี้ง่ายๆใครไม่เคยรู้จักว่าอยากเป็นยังไง อยากสอบได้อยากได้ตำแหน่งอยากได้เงินอยากได้แฟนอยากนอนอยากนี้อยากไปเที่ยวอยากดูหนังอยากมาฟังเทศน์นั่นความอยากสารพัดเลยจะมาใช่ไหมอยากหาที่จอดรถอะไรเงี้ยหาที่จอดรถก็ทุกข์ละนั้นความอยากมันเกิดตลอดเวลาคอยมีสติรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆความอยากใดๆเกิดขึ้นรู้ทันความอยากใดๆเกิดขึ้นรู้ทัน เราฝึกอย่างนี้ดูไม่ต้องคิดคําว่าปฏิบัติธรรมก็ได้คําว่าปฏิบัติธรรมฟังแล้วมันน่ากลัวฟังแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องไปอยู่วัดต้องไปอดเข้าเย็นต้องไม่นอนกับเมียต้องอย่างนอนต้องอย่างนี้มีเงื่อนไขมากมายเลยฟังแล้วน่ากลัวเอาแค่ว่าความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจคอยรู้ทันลองฝึกดูเท่านี้ก็ได้นะเบื้องต้นลองฝึกดูหัดรู้ทันใจตัวเองสังเกตไหมตอนที่หลวงพ่อหยุดพูด ใจทำอะไรดูออกไหมใจทำอะไรใจวิจิตใจวิจิตเป็นส่วนใหญ่นะจิตนี้ไปคิดทำไมมันอยากไปคิดมันมันอยากอยากรู้เรื่องจิตอยากรู้เรื่องนะจิตกนี่ไปคิดคอยสังเกตใจเรื่อยๆนะใจมีความอยากขึ้นมาจิตใจก็มีการทางานมีความดิ้นรนขึ้นมาดูง่ายๆดูไป ถ้าคนไหนดูความอยากไม่ออกก็ดูอย่างอื่นก็ได้คนไหนขี้โมโหดูที่ใจไปเวลาใจมันโมโหขึ blanc, ้นมาค่อยรู้ใจโมโหขึ้นมาคอยรู้สังเกตดูเวลาโมโหใจมีความสุขหรือมีความทุกข์เวลาใจโมโหขึ้นมานะใจมันก็ดิ้นเล่าๆขึ้นมามันร้อนขึ้นมาทุรนทุรายขึ้นมาให้เราคอยรู้ทันนะใจมีความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันว่าใจมีความโกรธใจมีความโลภมีความอยากเกิดขึ้นรู้ทันว่าใจมีความอยาก ใจเป็นยังไงคอยรู้ไปหัดรู้หัดดูอยู่ที่ใจบ่อยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนชำนิชำนาญจนสติอัตโนมัติเกิดขึ้นสติอัตโนมัติเกิดขึ้นนี่หมายถึงว่าไม่ว่าจิตใจจะมีความรู้สึกใดๆแปลกปลอมเข้ามานะสติรู้ทันเรื่อยไปสติทำหน้าที่คอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติรู้ทันรู้ทันรู้ทันเป็นลาดับลาดับไปทาไมต้องคอยรู้ทัน รู้ทันเพื่อว่าวันหนึ่งจะเห็นความจริงของชีวิตความจริงที่ว่าทุกสิ่งที่ผ่านมานั้นล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นอย่างความอยากเกิดขึ้นนะเรามีสติรู้ทันเราก็จะเห็นเลยความอยากอยู่ชั่วคราวแล้วความอยากก็หายไปความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเราก็ SUBSCRIBE จะเห็นว่าความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปใจลอยใจแอบปคิดใจฟุง้งซ่านเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านก็หายไป หรือกระทั่งความสุขผ่านเข้ามานะเราก็คอยรู้ไปความสุขก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวความสุขก็ผ่านไปความทุกข์ผ่านเข้ามาเรามีสติคอยรู้ทันนะตอนนี้ใจเป็นทุกข์ล้เรามีสติคอยรู้ทันไม่นานเราก็เห็นว่าความทุกข์มันก็ผ่านไปการที่เรามีสติคอยรู้ทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ่นีน่แหละเรียกโกโก้นะมีศัพท์โกโก้ว่าคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถ้าฟังศัพท์แล้วมันน่ากลัวลงมือปฏิบัติไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกคอยดูสิ่งต่างๆที่ที่ผ่านเข้ามาในใจเราทั้งความสุขทั้งความทุกข์ทั้งความเฉยเฉยทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงทั้งฟุ้งซ่านทั้งหุนหูทั้งลังเลสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดเลยลองฝึกอย่างนี้ดูบ้างนะหลายคนคิดว่าการทํากรรมฐานคือการไปนั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆ่ง อันนั้นก็ดีเหมือนกันแต่เรียกว่าสมถกรรมฐานทําไปแล้วจิตสงบจิตดีจิตมีความสุขทําไปแล้วก็จะได้เป็นคนดีตายไปก็ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับการเจริญวิปัสสนานะเป็นแค่นอนพักเฉยๆสมถกรรมฐานคล้ายๆที่พักของจิตเทนั้นงานหลักของเราจริงๆคือการเจริญวิปัสสนา คอรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในใกายในใจรู้สึกไปเรื่อยๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวให้ดูมันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะทางจิตใจนะหลวงพ่อแนะนําให้ดูให้มากเพราะพวกเราเป็นคนในเมืองอาชีพของพวกเราส่วนใหญ่นะอาชีพทํางานที่ต้องใช้สมองใช้ความคิดทั้งวันเลยคิดทั้งวันมีเรื่องต้องคิดทั้งวันการที่ใจเราต้องคิดทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวกิเลสต่างๆก็เกิดขึ้นมาคิดเรื่องนี้ก็โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงนะ คิดเรื่องนี้ฟุง้งซ่านคิดเรื่องนี้หดหู่คิดเรื่องนี้เป็นสุขคิดเรื่องนี้เป็นทุกข์ถ้าเรามีสติคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจบ่อยๆลองดูถึงวันหนึ่งเราจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาใครเคยได้ยินประโยคนี้บ้างไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนดับไปเป็นธรรมดา ภาษาบาลีบอกว่ายังกินจิสมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาวันใดที่ใจเห็นความจริงตรงนี้เราจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันคือท่านที่ใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้ใจจะยอมรับความจริงตรงนี้ได้เราต้องมีสติตามดูของจริงบ่อยๆเห็นไหมทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาล้วนแต่ผ่านไปทั้งสิ้นนะ ไม่ใช่ดูแบบยาวๆนะไม่ใช่ว่าเออตอนนั้นเป็นเด็กตอนนี้ไม่ใช่เด็กแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่เที่ยงอันนี้นานไปลองดูความเปลี่ยนแปลงเป็นขนาดขนาขนาในจิตใจของตัวเองไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเราเฝ้ารู้เฝ้าดูตรงนี้บ่อยๆดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกวันแล้ววันเล่าอนะอดทนดูไปวันไหนจิตใจฟุ้งซ่านดูไม่ได้ก็ไปทําสมถะทําความสงบขึ้นมา สมาธาเป็นที่พักผ่อนมีศัสนาคืองานที่แท้จริงการเจริญปัญญาเป็นการทำงานที่แท้จริงเป็นงานหลักส่วนการทำสมาธานั้นเป็นงานสนับสนุนทำแต่งานหลักอย่างเดียวไม่มีงานสนับสนุนก็ทำงานหลักลำบากอย่างเป็นมหาวิาลงานหลักคือสอนงานหลักคืองานสอนก็ต้องมีงานสนับสนุนใช่มมีฝ่ายบุคคลฝ่ายการเงินฝ่ายโน้นฝ่ายนี้มีห้องสมุดมีอะไรอย่างนี้ นี่เป็นงานสนับสนุนงานหลักของเราก็คือการเจริญสติรู้ความจริงของกายของใจโดยเฉพาะคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆเห็นทุกอย่างไหลามาไหลไปนี่เป็นงานหลักถ้าเมื่อไรดูไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากใจฟุ้งซ่านจนดูไม่รู้เรื่องเราก็ทำความสงบเข้ามานะทำงานสนับสนุนวิธีทาความสงบนะไม่ยากอะไรหรอก คนไหนเคยพุโทโธเราก็หัดพุดโทโธคนไหนเคยหายใจเขาหัดรู้ลมหายใจไปคนไหนเคยทําดูท้องฟองยุบนะก็มีสติเห็นท้องฟองท้องยุบไปสี่เหล่านี้เป็นสมถะทั้งหมดเลยสมถะกรรมาฐานก็คือการที่เราน้อมใจนะให้ไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขอย่างคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขนะก็ไปท่องพุโทโธไว้ในใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจิตใจที่มีความสุขมันจะสงบ พุทโธไปเรื่อยๆ เ, เราจะเห็นว่าพุโทโธเป็นสิ่งที่จิตมันคิดขึ้นมาจิตเป็นตัวที่คิดพุโทโธเนี่ยเราก็จะเจอตัวจิตที่เรียกว่าครูบาอาจารย์วัดป่าท้าเรียกว่าตัวจิตผู้รู้พอจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างนี้เรีกว่าเราทําสมถะสําเร็จแล้วจิตใจเราตั้งมั่นละหรือคนไหนรู้ลมหายใจก็หายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจไปใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อยๆ พอฝึกบ่อยๆไปต่อไปจะเห็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมันโดดเด่นขึ้นมาจิตมันสงบนะมันตั้งมั่นมันเด่นดวงอยู่คนไหนจะดูท้องพองยุบก็ได้เห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเป็นคนดูอย่าลืมคําว่าใจเป็นคนดูจะรู้อิระยาบทสี่เห็นร่างกายยืนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายนอนใจเป็นคนดูค่อยฝึกไปด้วยนะให้มันมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาน ใจมันจะตั้งมั่นมีกำลังใจตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอใจมันตั้งมั่นดีแล้วนะอย่าอยู่เฉยๆอย่าติดในความสุขตรงนี้เฉยๆเท่านี้ไม่พอให้มีสติคอยตามดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปอย่างเราจะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีเลยร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งนะร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอน ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกหายใจเข้าเราเป็นแค่คนดูร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆฝึกไปเรื่อย right. จะเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรามาดูที่จิตที่ใจเราก็จะเห็นเลยความโลภก็ไม่ใช่ตัวเรานะความโกรธก็ไม่ใช่ตัวเราความหลงความฟุ้งซ่านความหุนหูความดีใจความเสียใจความสุขความทุกข์ทุกอย่างเป็นแค่ธรรมชาติที่ไหลามาไหลไปผ่านมาผ่านไปจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู จิตไม่ไหลาตามไปนะจิตเป็นแค่คนรู้คนดูค่อยๆฝึกไปจนจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูในทุกๆสถานการณ์ในทุกๆปรากฏการเราจะเห็นว่าปรากฏการทั้งหลายทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมล้วนแต่ไหลมาไหลไปจิตเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนเราเป็นคนดูฟุตบอลนั่งอยู่บนอัฒจันทร์เห็นนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาเราดูอยู่ห่างๆเราไม่ใช่นักฟุตบอลเห็นได้นักฟุตบอลมันเคลื่อนไหวไป คือเห็นรูปประทมเห็นนามมาทำเห็นกายหเห็นใจมันทำงานแต่มันไม่ใช่ตัวเราทำงานทำตัวเป็นแค่คนดูบ่อยๆฝึกให้ตัวเองเป็นแค่คนดูฝึกตัวเองเป็นคนดูเรื่อยๆเราจะเห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาให้จิตรู้รืวนแต่ไม่ใช่ตัวเราทั้งสิน้นค่อยฝึกนะจนมันเกิดปัญญามันเห็นเลยกายไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมานะ เวลาที่อริยามรรคจะเกิดนะั้นะเวลาที่อริยามรรคจะเกิดนะจิตจะรวมเข้าปนาสมาธินะรวมเข้าฌานเองแหละราะเราถึงเราไม่เคยฝึกเข้าฌานนะนาทีนั้นมันจะเข้าฌานะรวมเข้าไปแล้วมันไปตัดสินความรู้ในภายในฌานะถอยออกมาแล้วคราวนี้จะเห็นในโลกนี้ไม่มีตัวเราตัวเราไม่เกิดขึ้นอีกละค่อยฝึกนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกพอไหวไหมยากไปไหม ถ้าคิดมากก็ยากนานถ้าไม่คิดมากนะค่อยรู้ความรู้สึกใครรู้ความรู้สึกไม่เป็นยกมือให้ดูหน่อยใครโกรธไม่เป็นมั้งมีไหมใครโลภไม่เป็นมีไห ม, ใ ค, ไห ม, ม, ไหมใครรู้จักไหมโลภเป็นยังไงใครไม่รู้จักว่าโลภเป็นไงอยากใครรู้จักมไหมความอยากเป็นไงนะความโกรธเป็นไงความฟุ้งซ่านเป็นยังไงความหุนหูเป็นไง ความลังเลสงสัยเป็นไงดีใจเป็นยังไงเสียใจเป็นยังไงนะอิจฉาเป็นยังไงกลัวเป็นยังไงกังวลเป็นยังไงมีตัวไหนไม่รู้จักไหมเรารู้จักนะเรารู้จักอยู่ทุกตัวที่หลวงพ่อเอ่ยชื่อมาเนี้ยหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกขณะ น, นี้ตัวไหนมันอยู่ในใจเรานะสังเกตไหมตอนนี้ตัวไหนอยู่ในใจเราตัวฟุ้งซ่านตัวฟุ้งซ่านคือใจนี้แอบไปคิดอย นะรู้สึกไหมเมื่อกี้ตอนที่หัวเราะใจรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกไหมเนี่ยความรู้สึกผ่อนคลายเกิดขึ้นรู้ว่าผ่อนคลายนี่หัดรู้ความรู้สึกนะหัดรู้ไปอย่างนี้รู้ซื่อเราจะเห็นเลยความรู้สึกผ่อนคลายเมื่อกี้นี้เริ่มหายไปแล้วรู้สึกไหมเกิดเป็นความนิ่งนิ่งขึ้นมาแทนดูออกไหมเวลาปลวงพ่อพูดตลกทีนั้นใจก็บานขึ้นมาใช่ไม พอพูดถึงธรรมะใจก็หุกใชนี่ไม่เจียงนะสนแสดงว่าชอบฟังนิทานนะหัดดูนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกคนที่คิดว่าการปฏิบัติยากนะก็คือคนซึ่งไม่ได้ปฏิบัติสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนอย่างหลวงปู ด, ดูลนะประโยคแรกที่ท่านสอนเลยก็คือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินิจลิทธิไสยของหลวงพ่อนะเป็นนักคิดท่านก็สอนกรรมฐานที่เหมาะกับนักคิด พวกที่ทํางานใช้ความคิดทั้งวันท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเรารู้ทันความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตของใจเราไปเรื่อยๆหัดดูนะใหม่ๆรู้สึกแบบยากยากยากอะไรความรู้สึกทุกอย่างเรารู้จักอยู่แล้วแค่ว่าใจมันโกรธรู้ว่าอ๋อมันโกรธไปแล้วใจมันโลบขึ้นมารู้ว่าอ๋อใจมันโลภไปแล้วมีคําว่าแล้วนะ ถึงความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้เอาพวกที่หัดดูจิตดูใจแล้วดูผิดพลาดเนี่ยคือแทนที่จะให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วตามรู้ไปกลายเป็นไปจ้องเอาไว้ก่อนไปรอดูว่าเมื่อไรจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าไปรอดูน้ะผิดเลยกลายเป็นการเพ่งจิตเพ่งจิตก็ผิดลเพ่งกายก็ผิดนะเพ่งจิตก็ผิดเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนา ถ้าอยากทำวิปัสสนาดูจิตดูใจแล้วก็ปล่อยให้จิตมันมีอารมณ์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยรู้ทันนะให้จิตมันโลภขึ้นมาเรารู้ว่าโลภจิตมันโกรธเรารู้ว่าโกรธจิตมันหลงเรารู้ว่าหลงจิตฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่เรารู้ว่าหดหู่จิตเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขนะสุขขึ้นมาแล้วก็รู้ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็รู้ค่อยตามรู้ไปเรื่อยลองหัดตามรู้ไม่ใช่หัดจ้องไม่ให้คลาดสายตา ทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการเปลี่ยนตัวเองนะจากผู้กระทำเป็นผู้สังเกตการสังเกตการทำงานของกายสังเกตการทำงานของใจไปเรื่อยๆดูกายทำงานดูใจทำงานทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการตัวที่ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละใจมันจะทำหน้าที่เป็นแค่ผู้สังเกตการดูออกไหมตอนหยุดพูดใจไปทาอะไรส่วนใหญ่ ดูออกไหมใจไปคิดใจไปคิดนะเราก็รู้ทันว่าอ๋อจิตมันหนีไปคิดละดูออกไหมค่อยๆหัดสังเกตนะพอจิตมันไปคิดเราก็รู้ว่ามันไปคิดไปคิดไปสักช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวก็สุขขึ้นมาเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาเดี๋ยวก็โลภขึ้นมาเดี๋ยวก็โกรธขึ้นมาตรงที่จิตลงไปคิดนี่เรียกว่าหลงหลงไปฟุ้งซ่านไปพอมีโมหะขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเหตุ ให้เกิดราคาให้เกิดโทรสะตามหลังมาอีกแล้วคใครค่อยๆสังเกตเอานะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกค่อยๆดูเอาหลวงพ่อฝึกมาไม่เห็นที่ยากอะไรเลยหลวงปู่ดูลึงบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากทําตัวเป็นแค่คนดูดูกายดูใจดูกายดูใจดูไปเรื่อยๆดูไปทุกวันทุกวันนะหลวงพ่อภาวนามาก็ฝึกมาง่ายๆแค่นี้เองตั้งแต่เด็กๆน้ํำมัวเสียเวลาทําแต่สมาธิ ทำสมาธิอยู่ยี่สิบสองปีทำอนาปนานสติอยู่22ปีได้ได้ความสุขความสงบแต่ว่ามันไม่เกิดปัญญานะไม่เห็นความจริงของกายของใจเราก็คิดแต่ว่าทําสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันจะเกิดมรรคผลนิพพานทํามา20่กว่าปีไม่เห็นมันจะมีมรรคผลนิพพานตรงไหนมีแต่ความสงบนะแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบหมุนเวียนอยู่แค่นี้เอง จนมาเจอครูบาอาจารย์แลท่านสอนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปถึงเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาพอมันรู้มากเข้ามากเข้าแล้วต่อไปมันจะวางของมันเองเทศเท่านี้พอมั้งนะเทศนานเดี๋ยวจะง่วงได้ข่าวว่าจะมีให้ถาม มีไหมไม่มีจะได้เลิกเมื่อวันวันศุกร์นะหลวงพ่อพิทเทศที่เซเว่นอีเวนคนเขาเป็นพันเหมือนกันนะ้วดเวลาถามนะพิธีก่อนเขาบอกเลยห้ามถามธรรมะส่วนตัวนะปฏิบัติอย่างนี้ <c oughs> เป็นอย่างนี้ห้ามถามให้ถามธรรมะส่วนรวม <c oughs> เราฟังแล้วเนี่ธรรมะส่วนรวมูมีถามได้ไงเนาะ <c oughs> ถ้าธรรมะมันเรื่องเฉพาะตัวอ้าวเชิญกลับนรัส ก, การหลวงพ่อครับก็ศึกษาจากซีดีมาได้สักระยะหนึ่งครับหลวงพ่อเสร็จแล้วทีนี้ลองสังเกตตัวเองดูรู้สึกว่าจะรู้ทันแค่ความเผลอครับแต่ว่าจะรู้ไม่ทันกิเลส น, นะฮะเบอยากจะถามหลวงพ่อว่าการที่รู้ทันว่าตัวเองเผลอนี่ถือเป็นสติอัตโนมัติหรือเปล่าครับรู้โดยไม่จงใจรู้ นะ ร, รู้โดยไม่ได้จงใจรู้ก็ใช่ได้อย่าเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้แต่ตรงที่เผลอไปไนดะ้กิเลสนะกิเลสที่ชื่อว่าโมหะไม่ใช่ไม่มีกิเลสแล้วจำเป็นต้องจำสภาวะาต้องเข้าใจกิเลสทุกตัวไหมครับหลวงพ่อกิเลสมันมีอยู่สามตัวเจะยากอะไรกิเลสโมหะก็หลงไปดูกายดูใจไม่ได้ลืมกายลืมใจ กิเลสราคานะนั้นก็ดึงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าหาตัวเองกิเลสตระกูลโทสา ม, มก็ผลักทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกไปให้พ้นะกิเลสมีอยู่เท่านี้เองสตัวนี้แหละเราหลอกเราได้ตลอดเลยเราเรียนรู้ไปนะตัวไหนโผล่ขึ้นมาเราก็รู้ไปรู้ไปเราไม่ได้เรียนเพื่อจะรู้จักกิเลสทุกๆตัวหรอกแต่เราเรียนเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาบางคนนะโทสะมากไม่เห็นกิเลสตัวอื่นเลยเห็นแต่โกรธ เห็นแค่นี้ก like ็ใช so exactly. ้ได้ละก็เห็นเลยว่าประเดี๋ยวจิตก็โกรธประเดี๋ยวจิตก็หายโกรธเดี๋ยวก็โกรธอีกเดี๋ยวก็หายโกรธอีกมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเราไม่ได้เรียนเพื่อรู้จักสภาวะทุกชนิดหรอกแต่เราเรียนเพื่อให้เห็นว่าไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดาเรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้นะพราพระโสดาบันคือท่านผู้รู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอย่างบางคนสงสัยฟังธรรมะที่หลวงพ่อพูดแล้วเกิดความสงสัย พอสงสัยแล้วไปคิดหาคําตอบอันนี้คือถูกกิเลสหลอกแล้วถ้าสงสัยเราก็เห็นว่าจิตกําลังสงสัยอยู่พอรู้ทันว่าจิตกําลังสงสัยอยู่แล้วความสงสัยก็ดับไปเห็นไหมความสงสัยเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกับสภาวะอย่างอื่นนั่นเองเราเรียนเพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเอาตรงนี้ต่หากไม่ใช่ว่าจะต้องรู้จักสภาวะทุกชนิดหรอกไม่จําเป็น ก็คำถามสุดท้ายคืออยากจะถามว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องตามจริตนิสัยหรื อ, อยังครับอย่าน้อมใจให้ซึมนะอย่าติดซึมติดนิ่งเกินไปนึงออกไหมดูไม่ออกรู้สึกแหมใจมันอย่างนี้ไม่ใช่สงบนะอย่างที่เรียกว่าซึมอย่าน้อมใจให้ซึมนะพยายามรู้สึกตัว ก, กับปี่กระเพ่าไว้รู้สึกรู้สึกหมายถึงให้เคลื่อนไหวบ่อยๆด้วยหรือเปล่าครับหลวงพ่อใช่ จิตนะั้ต้องหลุดออกมาจากโลกของความคิดให้ได้เวลาที่จิตหลงไปคิดให้ค่อยรู้ทันดูออกไม้มจิตไหลไปคิดตลอดเวลาดูไม่ค่อยออกนะั่นมันดูไม่ออกมันก็เลยไหลไปในโลกของความคิดนะค่อยๆรู้ไปก่อนตรงที่จิตไหลไปในโลกของความคิดคือจิตฟุ้งซ่านนั่นเองที่คุณบอกว่ามันหลงหลงไปนั่นแหละตรงที่มันหลงไปนั่นแหละคือมันมีโมหะจิตมันฟุ้งซ่านไปจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านไปหลงรู้ว่าหลง รู้บ่อยๆใจจะค่อยๆตื่นใจค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาจิตขนาดนี้เป็นจิตธรรมดาไหมไม่ธรรมดาตอบถูกผ่านขอบคุณหลวงพ่อมากครับจิตที่ดีที่สุดคือจิตธรรมดานี่พวกเรานักปฏิบัติเนี่ยเราทําลายจิตธรรมดาธรรมดาของมนุษย์นะเราไปสร้างจิตของผลมขึ้นมาแทนจิตของผลมเนี่ยไม่เหมาะกับการทํำมิปัสสนากรรมัฐานหรอก จิตมนุษย์เนี่ยเหมาะกับการทํำวิปัสสนากรรมฐานมากกว่าจิตชนิดอื่นอย่างจิตของสัตว์นรกนะมันเต็มไปด้วยความทุกข์ดูยังไงก็ทุกข์นะเหมือนความทุกข์มันเที่ยงจิตของสัตว์เดรัจฉานเต็มไปด้วยความหลงหลงทั้งวันดูกายดูใจไม่ได้จิตของภูมิของเปรตเนี่ยเต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความอยากดูยัง ไ, ไม่ไม่เห็นนะความอยากมันปิดบังอยู่ตลอดจิตมนุษย์นี่กลับกลอกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย การที่เห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงวุบปวับป๊บนี่แหละมันแสดงความเกิดดับแสดงความเป็นไตรลักษณ์ชัดเจนที่สุดจิตของเทวดาเคลิ่นไปในความสุขนะรู้สึกความสุขเชี่ยงนะเพราะงั้นดูความเป็นไตรลักษณ์ยากจิตของพลมยิ่งนิ่งยิ่งไปใหญ่เลยเพราะงั้นพวกเราอย่าไปทําลายจิตของมนุษย์จิตของมนุษย์นั่นแหละที่กลับกร อ, อกว่องไวนั่นแหละเหมาะที่สุดกับการทํำวิปัสสนานะส่วนจิตที่นิ่ง หลวงพ่อทำเก่งนะพราะทำมานานทำเอาให้นิ่งขนาดไหนก็ไหวนะไม่ได้เรื่องเลยนะอ้าวต่อไปครับกลับนัศมาสการหลวงพ่อครับจะสอบถามหลวงพ่อสามข้อนะครั บ, รบขอข้ามถามด้วยกันนะครับคือตัวผมเนี่ยเหมาะกับวิหารธรรมแบบไหนครับดูอะไรได้ก็ดูไป ในกายในใจนล้วแหละนะครับแล้วอย่างเวลาเรียนหนังสือเนี่ยครับรู้สึกว่าผมจําเป็นต้องเพ่งให้เพื่อให้นิง่งเพื่อเวลาฟังนี่จะได้รู้เรื่องครับเวลาเรียนหนังสือนะั้นฟังอาจารย์เลคเชอร์หรือไปอ่านหนังสือเรียนอะไรเนี่ยไม่ใช่เวลาจเจริญสติรู้กายรู้ใจ <c oughs> นะต้องแยกหน้าที่ให้ออกนะตอนนั้นต้องตั้งใจฟังอาจารย์ับแต่ว่าพอฟังอาจารย์ไปแล้วโอ้อาจารย์นี่พูดไร้สาระนะ รู้สึกอาจารย์เราไม่ชอบอาจารย์คนนี้ขึ้นมารู้ทันใจที่ไม่ชอบอย่างนี้ถ้งเราปฏิบัติล้ฟังไปแล้วก็เบื่ออยากจะเลิกเร็วๆเวยากได้หนีไปดูหนังอะไรเงี้ยรู้ว่าเบื่ออย่างนี้ใช้ได้แต่ขณะที่ตั้งใจฟังอาจารย์ขณะที่เรียนหนังสือขณะที่ทํางานที่ต้องคิดไม่ใช่เวลาเจริญวิปั ส, สนาแต่ถ้ากิเลแสแทรกขึ้นมาตอนนั้นก็ค่อยมีสติรู้เอาทำไมทำวิปัสนาไม่ได้เพราะวิปัสนาเนี่ยต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจ ในขณะที่เราฟังอาจารย์เนี่ยเราต้องรู้เรื่องที่อาจารย์สอนใจเราต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อาจารย์สอนในขณะนั้นจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เพราะจิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้ามันมารู้กายมันก็ไม่รู้ใจถ้ามันรู้ใจมันก็ไม่รู้กายถ้ามันไปรู้เรื่องราวคําพูดทั้งหลายมันก็ไม่รู้กายไม่รู้ใจเป็นธรรมดาอย่างนั้นไม่ต้องฝึกนะขณะที่ฟังเลคเชอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวสอบตกแล้วจะมาโทษกันทีหลัง ครับคำถามสุดท้ายนะครับคือตอนนี้ที่ปฏิบัติมาเนี่ยอพอจะมาถูกทางหรือเปล่าแล้วพอจะพอจะต้องแก้ปรับปรุงอะไรบ้างครับก็พอถูกนะระวังการข่มใจให้นิ่งก็แล้วกันเคยชินที่จะบังคับจิตให้นิ่งครับดูออกไหมดูออกครับเออเลิกซะอ่ะตอบไปกลับมัสกาหลวงพ่อครับก็เพิ่งหัดปฏิบัติมานะครับแล้วก็ ฟังสดีมาพอสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนแรกก็ไปดูลมหายใจนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเครียดนะครับก็เลยหยุดไปนะครับทีนนี้ก็มาดูกายนะครับแล้วก็ดูจิตก็ค่อนข้างหลงที่จะนานมากเลยครับบางทีก็สัก2อสมชั่วโมงหรือเป็นวันว <ด S 1> เลยครับนา น, นานจริงนะสองสชั่วโมงสัก <laughs> 2ส า, านาทีได้ไหมนะอย่าให้หลงนานขนาด น, นั้นวันหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงนะหลงตั้งสองชั่วโมงเยอะไป ครับแล้วก็อยากจะสอบถามว่าที่ปัจจุบัติอยู่เนี่ยพอจะเข้า<ด>ทางบ้าอยังครับเข้าท่านะต้องทํานะทํำไปค่อยๆสังเกตใจเราไหลไปคิดเราค่อยรู้ใจไหลไปคิดคอยรู้รู้บ่อยๆนะของคุณโดยพื้นฐานมันก็ขี้โมโหใจโมโห ข, ขึ้นมารู้ทันใจโมโห ข, ขึ้นมารู้ทันมันหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ทันไปจะเห็นเลยทุกอย่างมันผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปดูอย่างนี้บ่อยๆนะมันจะไม่หลงนาน อย่าให้หลงเกินสองนาทีนะหลงสองชั่วโมงนานไปวันหนึ่งหลงได้สิบสองครั้งเองแต่ยังเก่งนะคนซึ่งภาวนาไม่เป็นหลงวันละครั้งหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยส่วนคนภาวนาเก่งแล้วหลงไปแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะนาทีหนึ่งหลงหลายครั้งค่อฝึกนะค่อยทำไปเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อหลงพ่อหรอกแล้วทีนี้อยากจะสอบถามว่าจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมครับ ถาแล้วทำไหมทำทำทำแน่นะรับปากเราต้องทานะครับพยายามนะหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวเรื่อยไม่หายใจแล้วเพ่งนะไม่ใช่หายใจแล้วให้ใจนิ่งเห็นร่างกายมันหายใจใจอยู่ห่างๆใจเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยๆเห็นใจเป็นคนดูดูออกไหมใจใจมันจะเป็นแค่คนดูค่อยๆฝึกไป แล้วต่อไปจะเห็นในร่างกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูต่อมาพอใจมันหนีไปคิดสติมันก็เห็นเองว่าใจหนีไปคิดและมันก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งใจขึ้นมาได้เบื้องต้นก็เห็นร่างกายหายใจบ่อยๆ อ, อย่าลืมมันนานลืมนานว่าลืมสองชั่วโมงอะต่อไปกร่าวขอบพระคุณครับครับก็กลาวนมัส ก, การหลวงพ่อนะครับก็อยากจะถามว่ารู้สึกไหมที่พูดกับหลวงพ่อเนี่ยเอาตัวจริงหรือตัวปลอมมาพูด รู้สึกไหมตัวนี้เรียบร้อยอกว่าความจริงอตัวปลอมครับหลวงพ่อเออตัวปลอมนาะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างอย่างคนเรานะครับหลวงพ่อเวลาเจ็บป่วยร่างกายเนี่ยจะร่างกายจะทรมานมีเวทนาทางกายนะครับหลวงพ่อแล้วทีนี้เวลาเวทนาทางกายเนี่ยทางใจก็จะ เ, เวทนามาเป็นสองเท่าอคอยคิดเออมันจะรุมเล้ามากกว่าการร่างกายและเจ็บปวดีกครับหลวงพ่อทีนี้ใช่ไหมครับใช่สิทีนี้ก็ปกตินี้มันก็จะเป็นแทบทุกคนนะครับ Oh. แล้วเราก็จะแอบไปคิดทางเวทนาทางใจมากกว่าว่าเอ๊ะห่วงการงานห่วงลูกเต้าห่วงอะไรที่จะต้องคอยมาดูแลงี้ครับแล้วอย่างนี้เราจะคอยรู้ทันในการแอบไปคิดเออวทนาทางใจมากกว่าเวทนาทางกายได้ยังไงครับคือเราสั่งไม่ได้หรอกว่ามันจะรู้เวทนาทางกายหรือทางใจเราเลือกไม่ได้นะอารมณ์ใดโดดเด่นขึ้นมาสติก็จะไปรู้ว่าอารมณ์อันนั้น อย่างเรากำลังรู้เวทนาทางใจเนะี่ยหมอเข็มมาเสียบปุ๊บเขาให้เห็นไหมเจ็บขึ้นมามันก็ต้องมารู้ที่กายเรื่อง <Okay. S 1> ไม่ได้หรอกนี่ค่อยๆฝึกไป mm hmm. จนกระทั่งร่างกายที่เจ็บอยู่นี่นะส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อเคยมีพระมาะเรียนกับหลวงพ่อองค์ท่านไม่ค่อยสบายท่านเป็นโรคเอสอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆพุ่มพวงอะโรคแบบพุ่มพวงแล้วต่อมาท่านไม่สบายมากนะ หลวงพ่อก็ไปเยี่ยมท่านไปให้กำลังใจบอกอาจารย์อาจารย์ไม่สบายรอบนี้ตายแน่นี่ไปให้กำลังใจนะ <c oughs> อาจารย์ดูไปเลยร่างกายมันเจ็บนะใจเราเป็นแค่คนดูอาจารย์ดูไปเลยมันหายใจไปแล้วมันเจ็บไปมันหายใจไปดูซิมันจะตายตอนไหนดูกกลมันตายไปใจเป็นแค่คนดูนะปรากฏว่าท่านทำได้จริงๆเรียกว่าตายอย่างสงาา่าผ่าเผยมากเลย เห็นร่างกายมันตายใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่อยๆฝึกแยกกายกับใจออกจากกัน oh. เห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนรู้เห็นเวทนาเกิดขึ้นในกายนะถ้าใจกระวนกระวายขึ้นมาให้รู้ทันว่าจิตใจกระวนกระวายคอยรู้ทันจิตใจที่กระวนกระวายขึ้นมาใจแอบไปคิดทราบไหมใจหลงแล้วนะมันลืมกายลืมใจ พยายามรู้สึกรู้สึกแต่ไม่เพง่งแค่รู้สึกไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจนะครับแล้วแล้วอีกอีกคำถามลุดท้ายครับหลวงพอ่อก็อย่างที่หลวงพ่อเคยบอกว่าเวลาอย่างคนเราเป็นปกติธรรมดานะครับอย่าอย่าคอยรู้สึกตลอดเวลาให้มันแอบไปคิดก่อนแล้วค่อยกลับมามีความรู้สึกตัวถ้าเราถ้าเราคิดรู้สึกตัวตลอดเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้ที่อาจารย์เคยฟังสติของอาจารย์ของของหลวงพอ่อสมมติว่าในการที่พอเราแอบไปคิดเนี่ยแล้วเราก็มีความรู้สึกกับ เราบังคับให้มันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยหลวงพ่อบอกมันต่างกันต่างกั น, นต่างกันนะเนแน่นะควาว่าจิตตานุปัสสนาไม่คำสามคํารวมกันนะคำ ว, ว่าจิตคําว่าอนุควาว่าปัสสนาคําว่าปัสสนาแปลว่าการเห็นอนุแาลว่าตามตามเห็นเนืองๆซึ่งจิตตามเห็นเนืองๆซึ่งเวทนาตามเห็นนะไม่ใช่ไปจ้องไว้ก่อนจิตเนี่ยถ้าเราไปจ้องไว้มันจะนิ่งกลายเป็นการเพ่งจิต จะไม่เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ในตอนนี้จิตไปคิดครับไหมต้องไปคิดก่อนแล้ว ร, รู้ว่าไปคิดถ้าเราจ้องว่าเมื่อไหร่แกจะไปคิดจ้องไว้มันจะไม่ยอมหนีไปเพราะเราอย่าไปจ้องตลอดเวลานะให้มันทํางานไปก่อนแล้วรู้ว่าทํางานตามดูตามดูไปขอบคุณมากครับแต่ดูกายไม่เหมือนกับดูจิตนะดูกายดูลงปัจจุบันร่างกายเคลื่อนไหวเนะี่ยรู้สึกเห็นรูปมันกําลังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่รูปกําลังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ นะมีคำว่ากำลังแต่ดูจิตนี่มีคำว่าแล้วเช่นโกรธไปแล้วโลภไปแล้วคนละอานกันนะทำไมดูจิตไม่ดูลงปัจจุบันขณะเพราะจิตนี่เกิดขึ้นมาแวบเดียวก็ดับไปแล้วจิตที่มีโทสะจะไม่มีสติจิตที่มีสติจะไม่มีโทสะงั้นในขณะที่จิตมีโทสะเกิดขึ้นจ้างก็ไม่มีสติ สติม่เกิดทีหลังมันจะเห็นว่าจิตดวงที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนๆนั้นมันมีโทสะจะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นการตามเห็นเป็นสันตติเรียกว่าปัจจุบันสันตติสืบเนื่องกับปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันขณะถ้าดูกายเป็นปัจจุบันขณะนะเห็นเลยตัวที่กำลังเคลื่อนอยู่นไม่มีเราไม่มีความรู้สึกเป็นเราในนี้อ่ะต่อไปกล่าวนมสัสการหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อสอนยากไปไหมเห็นว่าสอนนักศึกษามก็ต้องยากหน่อยอนะ สอนง่ายเนี่ยไม่สมศักดิ์ศรีครับผมก็ได้ปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้วแลวสะสุดแล้วบางครั้งที่มีสิ่งมากระทบแล้วก็เริ่มจะรู้สึกบ้างรู้ตัวบ้างไม่รู้บ้างบางครั้งที่มีสิ่งกระทบมากระทบแรงๆเราพยายามจะไปรู้ทันแล้วก็รู้สึกว่ามันเศร้าบางครั้งมันก็เสียใจ อยากจะถามหลวงพ่อว่าเราที่ปฏิบัติมาพอจะรู้ตามขันบ้างหรือเปล่านคภาวนาเนี่ยใช้ได้แล้วนะจิตมันตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วเห็นไหมความเศร้ามันผ่านมาแล้วก็ไปความสุขมันผ่านมาแล้วก็ไปทุกอย่างก็ผ่านมาผ่านไปคุณรู้สึกไหมกายก็อยู่ห่างๆจิตกับกายแยกออกจากกันดูพิเศษครับเออนะจิตกับกายแยกออกจากกันแล้ว รู้สึกไหมว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์กับจิตก็แยกออกจากกันรู้สึกครับเห็นไหมกิเลสกับจิตก็แยกออกจากกันครับแต่เห็นไหมทั้งหมดไม่มีตัวเราครับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่ครับฉะนั้นภาวนามาถึงจุดนี้แล้วคอยรู้ทันไปด้วยเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่ง ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวจีตเองก็เกิดดับไปเรื่อยๆนะตอนนี้จิตเป็นผู้คิดแล้วทราบไหมทราบครับนั่นแหละภาวนาเก่งไปทําอีกครับแล้วก็อีกคําถามนึงครับตอนนี้คือพ่อผมไม่สบายแล้วผมก็อยากจะให้พ่อได้ปฏิบัติอย่างนี้บ้างครับหลวงพ่อมีวิธีหรือเปล่าครับพ่อเคยฟังซีดีหลวงพ่อไหมไม่เคยครับลองไปเปิดดูแต่ถ้าลาคาญ ร, รีบปิดนะครับอ่ ถ้าฟังแล้วเก็บฟังเปิดเป็นช่วงๆแบบอย่าให้ทันรู้ตัวว่าจะสอนธรรมะรสอนธรรมะคนแก่ต้องเล่นแบบสงครามของโจรไม่ให้รู้ตัวนะแกล้งทําเป็นเราเปิดฟังให้เขาได้ยินอะไรเงี้ยแล้วคอยสังเกตถ้าถ้าทางจังงุนงินเราก็รีบปิดซะเดี๋ยวพออารมณ์ดีเปิดอีกเปิดไปเปิดมาฟังไปฟังมาเดี๋ยวก็ภาวนาเปลี่นแล้วก็คําถามสุดท้ายนะครับวันนี้หลวงพ่อมาบรรยายธรรมวิถีแห่งความรู้แจ้ง ถ้าอยากจะให้นักศึกษาได้นำวิธีความรู้แจ้งเนี่ยมาใช้กับการเรียนหลวงพ่อพอจะมะีตัวอย่างหรือวิธีการบ้างหรือเปล่าครับหลวงพ่อว่านักศึกษาไม่ค่อยสนใจหรอกไม่เห็นมีสักกี่คนเลย <c oughs> ถ้าถามยังไม่รู้แจ้งหรอกหัดเจริญสตินะ <c oughs> ให้เขามีสติขึ้นมาแล้วก็คอยรู้กายคอยรู้ใจ นั่นแหละมันถึงจะรู้แจ้งรู้แจ้งอะไรคำว่ารู้แจ้งรู้แจ้งก็คือเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ามันรู้แจ้งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการปล่อยวางขึ้นเพรมันไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือ ใ, นใจนะกายจะแก่จะเจ็บจะตายนะจิตไม่หวั่นไหวเลยสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับจิตใจนะก็ไม่ยึดถือความสุขเกิดขึ้นอยู่ก็ไม่ยึดถือมันอะไรๆผ่านมาก็ผ่านไปจิตใจก็เป็นอิสระ ฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้อิสระภาพมาเนี่ยนิวฟรีดัมตัวจริงนะขอบพระคุณครับกลั บ, อบนอนส ก, การหลวงพ่อค่ะเราฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สักพักหนึ่งแล้วอะค่ะแต่ว่าออก็หั ด, ดูค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเดี๋ยวขอเวลานอกนิดนะไอ้หนุ่มที่ส่งกันบ้านอะหลงไปแล้วอ่ะว่าไป ก็คือถ้าเป็นทุกข์เนี่ยมันก็จะดูได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นสุขเนี่ยมันก็จะเผลอไปอะค่ะใช่ใๆเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละพวกเทวดาถึงภาวนายากเพราะไม่ยอมภาวนามีแต่ความสุขกเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะงั้นทุกวันเนี่ยเราควรจะคิดถึงชีวิตบ้างอย่างเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็คิดนะวันหนึ่งเราต้องแก่วันหนึ่งเราต้องเจ็บวันหนึ่งเราต้องตายวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเนะตือนตัวเองบ่อยๆจะได้ขยันภาวนาเวลามีความสุขจะได้ไม่ประมาทคนในโลกเวลามีความสุขนะไม่ภาวนานะพอรอแร่ร่อดแร่ทุกข์หนักๆแล้วมาถามหลวงพ่อว่าจะภาวนาอย่างไง ไ, ไม่ทันแล้วเหมือนเราจะหัดว่ายน้ําต้องว่ายซะก่อนที่จะตกน้ําต้องว่ายเป็นก่อนต้องหัดก่อนอะ่ะไม่ใช่เหลือล่มอยู่กลางทะเลกลางแม่น้ํานะแล้วมาถามว่าวิธีว่ายน้ำำยําทํำยังไง การว่ายน้ํามีกี่ท่าตายตายตายสถานเดียวนะงั้นอย่าประมาทนะฝึกเอาสู้เอานะเราไม่ใช่คนโง่เราฝึกได้อยาจะถามหลวงพ่อว่าต้องแบบไหนถึงจะถูกกัจจหลิตรของหลวงค่ะอะไรนะต้องปฏิบัติแบบไหนถึงจะถูกกัจจหลิตรของหลวดู ก, กายบ่อยๆเราเป็นคนที่รักในกายนี้เยอะนะรักแล้วก็หวงแหนร่างกายนี้มากเลยแตถนุถนอมอสวยเงี้ย่างนี้ นะัะนั้นเราคอยรู้อยู่ที่กายบ่อยๆจะเห็นเลยกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์กายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เราคิดออกนะคอยรู้อย่างนี้บ่อยๆนะใจจะมีแรงภาวนาคุณลุงพ่อค่ะกับน้มัสะพานลุงพ่อครับคือเวลาเราปฏิบัติครับเวลาเรารู้สึกรู้ว่าเผลอไปครับแล้วมันจะเกิดแรงดันออกมาจากอกเลยนะนะเวลาเราเผลอรครับเรารู้ว่าเผลอแล้วนี้มันจะเกิดแรงดันออกมาจากอกอีกทีหนึงครับ นี่เราจะเราจะเราจะรู้ว่าเราเผยหรือว่าเราจะรู้ว่าแรงดันออกมาดีครับอะไรก็ได้นะสภาวะอะไรเด่นชัดก็รู้นะแหละแล้วเพราะว่าทุกๆสภาวะร้อนจะเกิดแล้วก็ดับอย่างแรงดันที่เกิดในอกสังเกตไหมอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปแรงดันตัวนี้ตันหานะมันตันหามผลักดันจิตให้เที่ยวแสวงหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นแรงดันนี้เรารู้ทันนี้ก็ใช้ไดนะ้เห็นความอยากเกิดขึ้นก็ใช้ได้ อะไรก็ได้ที่อยู่ในกายในใจนี่แหละแล้วที่ภาวนาอยู่นี่ประับมากไปหน่อยเคร่งเยอะไปให้เป็นธรรมชาตินะปล่อยให้สบายๆตามดูบ่อยๆคนนี้ตื่นเต้นมากรู้สึกไหมครับการพิธการหลวงพ่อนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาฟังธรรมสดๆจากหลวงพ่อนะฮะก็ฟังซีดีมาประมาณสักสองสามเดือนแล้วนะครับผม ก็รู้สึกว่าจิตมันฟุ้งซ่านไหวมากแล้วก็มีความคิดมากรู้สึกไหมว่าใจเราไม่เหมือนแต่ก่อนครับเวลาฟุ้งซ่านเราเริ่มรู้ทันแล้วดูออกไหมครับผมสังเกตไหมใจเราโปร่งร่งเบามากกว่าแต่ก่อนครับบางทีตามไม่ทันนะผมพอลงไป5้าเรื่องแล้วเพิง่งจะรู้อะไรอย่างเงี้ยครอะไรนะบางทีลงฟงุ้งซ่านไปประมาณนักห้าเรื่องแล้วถึงจะถึงจะรู้ตัวไว้ก็ยังดีนะแต่ก่อนฟุ้งซ่านร้อยเรื่องยังไม่รู้เลยก็ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาใช้ได้ แล้วก็จะขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อครับว่าดูจิต<ม>ไปเลยนะของคุณเป็นนักคิดครับชอบคิดเรื่องนอนคิดเรื่องนี้ดูจิตไปเลยครับผมบบขอบพระคุณครับครับการนมัส ก, การหลวงพ่อครับขอโอกาสทำสักสามคำถามครับคํำถามแรกผมปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้มันดูมันนิ่งๆครับไม่ทราบว่ามันต้องมันนิ่งมันติดนิ่งเราไปสร้างสภาวะหนึ่งนะโล่งๆว่างๆนิ่งๆงแล้วเราก็ไปเกาะอยู่ สังเกตไหมจิตเราเคลื่อนออกไปไปจับสภาวะใอ้นิ่งๆว่างๆนี้ไว้จิตไม่ถอยเข้ามานะจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานหรอกจิตมันกระจายออกไปข้างนอกไปอยู่ข้างหน้าดูออกไหมครับผมควรใช้วิหารธรรมอะไรดีครับเขาคุณตอนนี้ให้รู้ทันถ้าคุณรู้ทันว่าจิตมันส่งออกไปไม่ตั้งมั่นนะถ้ารู้ทันตรงนี้มันจะกลับมาตั้งมั่นพอมันตั้งมั่นมันก็รู้กายรู้ใจต่อได้ ถ้าจิตไปล็อกไปค้างอยู่ตรงนี้มันจะมีแต่ความสบายโล่งๆสบายๆมันไม่เห็นทุกข์แล้ใช่ครับผมผมจิตมันไม่หลอกหลับหลายปีแล้วหลวงพ่อครับขอการบ้านครับสไตล์ครับหลวงพ่อให้รู้ทันว่าจิตไหลไปเกาะความนิ่งความว่างไว้ครับให้รู้ทันตัวนี้แหละติดตัวนี้อยู่ครับผมขอบคุณครับครับนมัสภานหลวงพ่อครับคือผมหัดรู้หัดดูครับดูตัว ตัวโกรธครับเพราะจะเห็นตัวโกรธตัวนี้บ่อยอะครับไม่ทราบว่าถูกกับจริตที่ผมดูป่ะครับถูกถูกขนาดใสเลยนะครับโหบ่อยครับและที่ผมดูนี่เป็นกลางยังครับดูว่าไม่เป็นกลางยังบังคับอยู่ยังบังคับอยู่รู้สึกไหมยังกดอยู่ครับยังไปโกรธมาเลยปล่อยไปเห็นจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะจิตมันโกรธเราเป็นแค่คนดูจิตมันโกรธด้วยอย่างนี้ ครบขอวิหารธรรมด้วยครับนั่นแหละดูโตศะสา์ไดครับครับครับมีให้ดูทั้งวันไหมกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากอยากอยากรู้ว่าอยากอยากให้รู้ว่าอยากจะรบกวนหลวงพ่อว่าช่วยคือจิตมันรู้สึกหลงคิดบ่อยอะะหลงเห็นหลงตลอดเลย่ะเราต้องซ้อมนะซ้อมให้เกิดสติ วิธีซ้อมให้เกิดสติก็คือทำกรรมฐานสัตวรันหนึ่งพุทโธก็ได้นะหายใจก็ได้พุทโธพุทโธใจแอบไปคิดแล้วรู้ทันก็มาพุทโธอีกพุทโธพุทโธใจนี้ไปคิดแล้รู้ไม่ชอบพุทโธแล้วชอบอะไรล่ะชอบดูลมหายใจรู้ลมหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปพอใจลอยไปก็รู้ใจไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้หายใจไปแล้วคอยรู้ทันใจไปขอบคุณเอย่าไปเริ่มต้นด้วยการหายใจแล้วก็น้อมใจให้นิ่งนะ รู้ส <c oughs> ึกไหมเวลาเริ่มต้นหายใจจะน้อมเข้าไปน้อมไปอยู่กับลมแล้วมันจะเลือนๆเลอะๆไป <c oughs> พยายามหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวอย่าหาใจให้เคลิ้ม <c oughs> พยายามฝึกตัวนี้เยอะๆ <c oughs> ต่อไปนะอยู่ในโลกข้างนอกเนี่พรใจไหลแวบสติมันเห็นเองเลย <c oughs> ยังไม่มีสติตัวจริงใช่ไหมคะหลวงพ่อย่างมันติดสมถะอ๋ อ, อค่ะก็คือต้อง ให้คอยรู้ทันนะเวลาอย่างรู้ลมหายใจคุณส่งใหม่ไปก่อนแล้วคุณหายใจส่งใหม่แล้วก็นั่งหายใจไปต้องส่งไม่ไปเดี๋ยวทำเขาตกแตกเอาหายใจไปใจฟุ้งซ่านดู้หร อ, อไหม อ, อ, อย่างนี้ใช้ได้นะหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะดูไปด้วยอ่ะตอบไปกราบนมัสการหลวงพ่อครับ พอดีผมมีโอกาสได้ฟังซีดีมาสักสองสามเดือนแล้วก็เริ่มเริ่มดูจิต ด, ดูใจนะครับหลวงพ่ อ, เ, อ, อเมื่อแรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่าความรู้สึกที่เราเห็นเนี่ยว่าว่าเกิดกิเลสเกิดอะไรเนี่ยมันมันชัดมากครับแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยเอ๊ะทาไมรู้สึกว่ามันเริ่มเห็นจางๆบางๆเห็นแบบเหมือนเหมือนไม่เห็นนะครับคือแต่เดิมเนี่ยกิเลสมันรุนแรงมันดูง่ายพอเราฝึกไปช่วงหนึ่งนะ เา ส, สติมันเกิดเร็วขึ้นในะกิเลสยังไม่ทันตัวใหญ่กิเลสมันบางๆงตัวเล็กเล็ดูยากต้องค่อยๆหัดสังเกตไปเรื่อยกิเลสนั้นเกิดตลอดเวลาแหละเช่นเมื่อไร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจนั้นว่หลงไปนั่นแหละก็เป็นกิเลสแล้วเป็นโมหะยังขนาดนี้ยหลงแล้วรู้สึกไหมเออจิตมันมาอยู่กับหลวงพ่อแล้วเนี่ยคยรู้ทันนะกิเลสเกิดทั้งวันอนะ่ะเพียงแต่ว่ากิเลสบางอย่างละเอียดเราดูยากกิเลส ท, ที่หยาบหยาบเราก็เห็นก่อนก็ดูง่าย พอภาวนาไปแล้วกิเลสจะยิ่งละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อยยิ่งภาวนาไปมากเลยนะต่อไปนะักกิเลสจะหน้าตาเหมือนกุศลเลยดูยากที่สุดเลยนึกว่ากุศลด้วยซ้ําไปเช่นใจของเรานะไปว่างสว่างสบายรู้ตื่นเบิกบานสบายอยู่นะัมองไม่เห็นว่ามีราคะแทรกอยู่พอใจในความว่างว่างความสบายดูยากแล้วหรือบางทีใจค้นคว้าธรรมะพิจรารณาธรรมะเรานึกว่าจิตเดินปัญญาความจริงจิตฟุง้งซ่าน คอยดูนะบางทีดูยากแ ล, แล้วที่ผมปฏิบัติอยู่นี้ตอนนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับหลวงพ่อครับก็ดีนะแต่ว่าอย่าไปบังคับจิตมากไปกดมันมากไปครับแ ล, แล้วบางครั้งเวลาที่ผมไปทำทำวัดเย็นอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกว่าแบบจิตจิตขึ้นมาที่กลางหน้าผาบังคับตัวเองมากไปออต้องปล่อยปล่อ ย, อยมันปล่ปให้เป็นธรรมชาตินะ แต่ตอนนี้ก็พอรู้ได้พอพอดูได้แล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อครับเกรงใจเกรงใจที่จะตอบบอกตรงๆเลยครับหลวงพ่อครับยังอ่ะทุกได้เลยยังนะใจมันยังไม่ตื่นใจมันยังวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดรู้สึกไหมมันก็คิดคิดคิดไหลๆๆลไปคลุกอยู่กับอารมณ์อ่ะมันไม่ถอนตัวออกมาแล้วจะทํายังไงให้ให้ถอนตัวได้ครับหลวงพ่อครับพยายามกระดุกดิกเคลื่อนไหวร่างกายมากๆนะ ไปเดินจงกรมเดินไปแล้วเห็นร่างกายมันเดินเดินไปแล้วเห็นใจไหลบีคิดไม่ใช่เดินเพ่งนะเดินแล้วรู้สึกเดินแล้วรู้สึกนะของผมต้องต้องดูกายเหรอครับของคุณเ <ขอ S 2> คลืค่อนไหวร่างกายไหมกราบขอบพระคุณครับกราบ น, นมนรดการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นค่ะคือฟังฟีดีหลวงพ่อได้ระยะหนึ่งแล้วอะค่ะแล้วก็ดูกายดูใจเดี๋ยวนะคุณที่ส่งกันบ้านเสร็จใหม่ๆคุณรู้สึกไหมคุณไปอัดมันไว้แล้ว เลิกเลยตรงนี้แหละที่ทําให้ติดอยู่นะตัวนี้แหละที่ผิดอ้าวว่าไปค่ะก็เห็นโลโก้หลงก็อยู่ในตัวเราแบบบางทีเราชอบไปเพ่งโทษคนอื่นเขาอะค่ะคือ<ด>นางมาลัยก็คือตัวเรานี่เองใช่ใช่หลวงพ่อเห็นด้วยก็วันนี้ก็จะมาขอวิหารธรรมจากหลวงพ่อค่ะดูไปเลยนะจิตใจเราขยับเยื่นเคลื่อนไหวดูไปเรื่อยๆเราดูได้ง่ายอยู่แล้วจิตนอะ ฟังทำจากหลวงพ่อยังหลงไปคิดว่าจะเอาการบ้านอะไรมาส่งหลวงพ่อเลยค่ะมันหลงไปนะคะนั่นแหละมาบอกหลวงพ่อว่ามันหลงบ่อยๆนะส่งการบ้านแล้วค่ะอันนี้ก็คือที่ทําอยู่นี่ใช้ได้ค่ะดีไปทําอีกนะคุณไปหางานบ้านทําด้วยนะทํางานบ้านไปแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวทํางานบ้านไปแล้วก็เห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวนะเช่นกวาดบ้านไปแล้วก็ขี้เกียจที่มารู้ว่าขี้เกียจอนะรอย่ี้ กวาดไฟแล้วก็โมโหคนอื่นมาทำาสกปรกเราทำสะอาดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยรู้ว่าโมโหเคลื่อนไหวร่างกายไปนะแล้วก็รู้ทันจิตไปพื้นฐานของคุณต้องรู้จิตนะแต่เอากายมาช่วยนิดนึงเพราะสมาธิไม่พอค่ะขอบคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะขอขอโอกาสเล่านิดนึงพอดีครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะย่อๆส่นทาร์ไม่ต้องนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ ได้มาฟังหลวงพ่อสดๆธรรมดาฟังแต่ซีดีพัน hmm. เว็บเว็บมิมุติอะค่ะ hmm. ฟังตั้งแต่สาราลุงชินครั้งที่ย7บเจ็ดแล้วก็ฝึกหัดรู้หัดดูมา hmm. ตอนรู้ใหม่ๆรู้เลยค่ะว่าเป็นคนโมโหร้าย oh, แต่ตอนนี้ก็พยายามหลังๆมันรู้สึกฟุ้งซ่านก็เลยใช้การขยับนิ้วดูกายไปแล้วก็ใช้คาว่ารู้ ขยับมือก็รู้เอออย่างนั้นทำสมถะนะเป็นสมถะทําไปเพื่ออะไรสิ่งที่ได้มาจากการทําสมถาก็คือได้ความสงบพอดีพยายามหาวิธีแก้ความฟุ้งซ่านนะคะแก้ความฟุ้งซ่านนั่นแหละก็เลยเลยต้องก็เลยคิดว่าถ้าขยับแล้วก็รู้ถ้าทำฟุ้งซ่านมากดูไม่รู้เรื่องก็ทําสมถะก่อนก็ถูกแล้วแล้วหลวงพ่อคะคือหนูไม่เข้าใจว่าหนู่เป็นคนจริตแบบไหน ถามว่ามันรักกายไหมก็ยังอยากอยู่ห้องแอร์ยังอยากนอนห้องแอร์อถามว่าหลงไหมบางทีมันก็หลงก็เลยอยากถามว่าหนูว่าเนี่ยต้องมีวิหารธทรมแบบไหนบ้างหรือว่าทำแบบเนี้ยถูกต้องเลยยังขอบคุณนะมันผสมกันทั้งสองอย่างนะขี้มโมโหด้วยนะแล้วก็ใจมันก็ฟุ้งง่ายรู้ร่างกายเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวร่างกายไว้ด้วย แล้วก็ค่อยรู้ทันจิตไปคพยายามทํางานบ้านเราก็หลุดูน ะ, ะ อ, อย่างนั้นแหละดนะะีขอบขอบขอบคุณค่ะกรับนิมมสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกอยากจะถามนู่นถามนี่ย้ํายไปหมดเลยแต่ก็สับสนวนเวียนไม่รู้ถามอะไรในที่สุดก็ได้คําถามออกมาว่าหนูเนี่ยเป็นคนขี้โมโหมากโมโหร้ายมากแล้วก็คิดมากชอบปรุงแต่งความคิดแล้วก็เอามาทุกเองอพอตอนแรกๆปฏิบัติสมถะอยู่ แล้วก็รู้สึกมคนตัวเองเก็บกรพอโมโหเขานี้ระเบิดออกมาเลยค่ะแต่พอมาฟังซีดีหลวงพ่อได้ระยะหนึ่งก็ลองหัดรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆก็เริ่มมองเห็นความโกรธเป็นเหมือนเหมือนเป็นคนมาแสดงหนังอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ตัวเองก็ดูความความโกรดนั้นไปเรื่อยๆอะไรทํานองเนี้ยค่ะตอนนี้ก็เห็นว่าตัวเองนะ่ะเริ่มเริ่มเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเริ่มมองความโกรธนั้นเป็นแล้วอะไรทํานองเนี้ยแต่พอช่วงหลังรู้สึก มองไม่ค่อยเห็นเลยหลวงพ่อค่ะทาไมความโกรธหนูมองความโกรธไม่ค่อยเห็นหนูเริกเหมือนนางมารร้ า, ายท<ก>ี่ไหนแล้ค่ะก็กิเลส่กิเลสมันก็พลิกแปลงไปนะตัวไหนรู้ทันแล้วมันก็หลบหลบเลี่ยงไปค่ะตัวไหนยังไม่รู้ทันก็มาหลอกเราใหม่ค่ะอย่างตอนนี้มันเริ่มภูมิใจแล้วรู้สึกไหมรู้สึกมันชักจะภูมิใจว่ากูเก่งกูเก่งขึ้นมาแล้วนะไปรู้ทันตัวนี้แหละนี่ก็กิเลสนะแม้มันเปลี่ยนหน้าตาไป ตอนนี้พอพอมาฝึกปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยก็หนูก็จะตอนแรกเดินจงกรมพอเดินจงกรมแล้วก็มีความสึกว่าเหมือนตัวเองเพ่งอึดอัดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ก็เลยหันมาเปลี่ยนเป็นกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ตามรูมือขาเลยตัวเองไปเลยทานองเนี้ยแล้วก็พอมานั่งสมาธินั่งสมาธิหนูก็หนูก็ไม่ทราบหรือเอาวิหารธรรมอะไรของตัวเองดีหนูก็เลยใช้ดูลมหายใจไปเรื่อยๆใชนหใจเราชอบพูดใช่ค่ะให้รู้ทัน ให้กันบ้านน ะ, <ฮ>ะพูดให้น้อยเคลื่อนไหวให้เยอะอ้า่ตอบไปแต่ก็ <c oughs> ยังไม่ยอบเลิก <c oughs> อีกนิดนึงค่ะลูกอ้าวว่าไปก็ก็ใช้รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วบางทีก็อาบเปลี่ยนเป็นใช้คำบริกรร ม, มสลับกับการรู้ลมหายใจใช่ไหคะแล้วก็แต่ก็เห็นแต่ความฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคอยไปดูเห็นแม่ใจเรามีแรงดัน มันแรงดันมันอยากพูดอ่ะมันมีแรงดันนะให้รู้ถ้ำนะกิเลสอื่นๆมันก็เกิดขึ้นที่เดียวกันนี้แหละค่ะตอนนี้หนูขอวิหารธรรมตอนจบแล้วค่ะดูไปเลยนั่นแหละดูความฟุ้งซ่านของตัวเองไปดูความฟุ้งซ่านไปนะดูไปดูไปแล้วภูมิใจวอ้ชักเก่งแล้วไหมรู้ว่าภูมิใจนะเราต้องรู้กายไปเรื่อยรูรู้กายรู้เป็นพื้นฐานไว้เลยค่ะทํางานบ้านไปรู้สึกไป เนี่ย ก, กรรมฐานหลวงพ่อไม่มีกรรมฐานขี้เกียจใช่ไหมไ ม, ม, มีแต่ยุให้ไปทำงานค่ะครบที่จัดเตรียมไว้15หท่านแล้วค่ะหลวงพ่ อ, อยังได้อีกสองสามคนมั้งอีกสองสะมี <คน S 2> มั้ยค่ะมียกมือเดี๋ยวทะเลาะกันนะนี่เป็นปรากฏการใหม่นะ <c oughs> คนแย่งกันเรียนธรรมะ หลวงพ่อไปเทศนะ์เนี่ยคนมาเยอะเลยแล้วก็มาฝึกแล้วได้ผลนะมองเห็นกิเลสตัวเองใจค่อยๆ ค, คลายออกจากกิเลสคลายออกจากความทุกข์อะไรเงี้ยมันเห็นผลในเวลาสั้นๆะหัดเจริญสติไว้ไหนละคนไหนอ่ะว่าไปเลยเห็นละการนำนัสการท่านหลวงพ่อครับคือคือความรู้แจ้งของคือวิธีเห็นความรู้แจ้งของหลวงพ่อนี้คือเน้นทางด้าน สมถะกรรมฐานใช่ไหมครับอะไรนะว่ามาอีกทีสิความกำลังตะลึงที่หัวข้อครับหัวข้อที่ได้เขียนบนหน้าจอนะครับเป็นวิถีแห่งความรู้แจ้งครับคือเน้นทางด้านสมถะกรรมฐานใช่ไหมครับไม่ใช่สิมันจะรู้แจ้งได้นะมันต้องทําทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานะคําว่าวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งนะเพราะฉะั้นถ้าวิถีแห่งความรู้แจ้งความเห็นแจ้งก็คือการทําวิปัสสนา ว่าสมถะเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนสมถะทําไปเพื่อให้ใจมีความสุขมีความสงบมีเรี่ยวมีแรงที่จะไปเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาเนี่ยคือการที่คอยมีสติรู้กายรู้ใจนะตามที่เขาเป็นคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจดังนะั้นวิธีแห่งความรู้แจ้งก็คือหัดเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางฝึกอย่างนี้บ่อยๆ ไงมันเป็นสมถะล่ะครับแล้วก็ในในสมถะนี่ก็จะมีกสินกสินสี่สิบถูกไหมครับอะไรนะหลวพ่อฟังไม่ค่อยออกคือกสินครับกสินสี่สิบะครับกสินเออแต่แลกะกสินนี่ก็กสินสแต่ละคนจริต์จะไม่เหมือนกันครับเฉิตกสินเนี่ยทําสมถะนะการเพง่งทําสมถะแล้วส่วนมากมันจะเพ่งออกนอกงั้นเราลองปรับ การใช้กสินดูอย่างเมื่อไม่กี่วันหลงพ่อสอนเด็กคนหนึ่งเด็กหนุ่มนะเขาชอบกสินไฟบอกแทนที่จะเพ่งไฟข้างนอกนะเรามานึกถึงร่างกายแล้วก็นึกถึงไฟที่เผาร่างกายนี้เลยเพ่งไปในร่างกายนี้กลับมาอยู่ที่กายนะแล้วก็ทำเหมือนกับไฟเผากายไปเลยแทนที่จะไปเพ่งไฟภายนอกนะกลับมาเพ่งข้างในนี่แทน พอกายไหม่สลายไปหมดแล้วนะใจมันจะเด่นดวงขึ้นมาก็มาดูจิตต่อทําไมหรืออยากเล่นกสินเหรอครับอ่าถ้าเป็นผมนี่ควรจะเป็นกสินอะไรดีครับทําไมจะเล่นกสินล่ะออยากเล่นกสินเพื่ออะไรกสินกสินจะทําไปเพื่ออภินญาหรือเปล่า <c oughs> อยากได้อภินญาหรือเปล่าหรืออย่างกได้อะไรก็ก็อยากได้เหมือนกันครับโอ้อยากอยากได้อะไรนะ อภินยาครับอ๋ออยากได้อภินยาเอาตัวไหนอ่ะข้อ <c oughs> สูงสุดนะคือได้แค่อภินยาห้าใช่ไหมครับถ้าอภินยาหกก็คือสําเร็จแล้วครับหลวงพ่อฟังไม่ออกว่าไงนะอ๋อก็คือถ้าสูงสุดของทางโลกก็คือได้แค่อภิญยาห้าครับถ้าว่าถ้าเกิดได้อภิญญาหกก็คือสําเร็จเลครับเออไม่เอาอภิญญาหกเหรออ่ะคุณคุณต้องอภินยานะมันเริ่มมาคุณต้องฝึกกสินก่อนนะถูกแล้วละนะ แต่ในครั้งในครั้งในครั้งพุทธกาลนะครับคือพระอรหันต์นะครับที่สําเร็จนะครับไม่จำเป็นต้องมาฝึกที่สมถะก่อนนะครับก็สำเร็จที่เป็นวิปัสนากรรมฐานแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ครับได้ได้ถ้าเราจะมุ่งจุดนั้นเลยได้ไหมครับก็คือไม่ต้องมาทําสมถะกรรมฐานครับได้แต่สมถะไม่ทิ้งหรอกนะคือการปฏิบัติเนี่ยมันมี3มแนวทางอันหนึ่งใช้สมาธินําปัญญาท่านเหล่านี้ทําสมถะก่อน พอออกจากสมาธินะมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาเจริญปัญญามาคอยดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนี่วิธีที่หนึ่งวิธีที่2ใช้ปัญญานําสมาธิคืออาศัยสตนะิรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆพอจิตใจมันเคลื่อนไหวรู้ทันรู้ทันจิตจะตั้งมั่นเกิดสมาธิขึ้นมาชนิดที่สเนี่ยใช้สมาธิและปัญญาควบกันอันนี้ต้องชํานาญทั้งสมาธิแล้วก็ชํานาญในการดูจิตด้วย จะอาศัยองค์ฌานที่เกิดดับไปนี่แหละมาเป็นอารมณ์กรรมฐานทำยากที่สุดอันนี้นในสมัยพุทธกาลนะมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยแยกแยะไว้ท่านบอกในพระอรหันต์ห้าร้อยองค์สมัยพุทธกาลเนี่ยพระอรหันต์ห้าร้อยองค์หกสิบองค์ได้วิชาสามหกสิบองค์ได้อภิญญาหกอีกหกสิบองค์เนี่ยมีปัญญาด้วยเป็นอุปโตภาควิมุตที่เหลือสามร้อยเท่าไหร่อีกสามร้อยกว่า สา0รสิบเนเป็นพระสุขาวิปสัสสกะพวกนี้ไม่ได้ทรงฌานไม่ได้ทําฌานมาก่อนหรอกจเจริญสติดูจิตดูใจไปดูกายไปอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกันกระทั่งในสมัยพุทธกาลคนที่ได้สมาธิเล่นสมาธิยังเป็นคนส่วนน้อยเลยมาถึงยุคเราเนี่ยแทบหาตัวไม่ได้เลยที่จะทรงฌานจริงๆหายากที่สุดเลยงั้นทางที่ดีนะจะไปไฝ่ฝัน ว่าเราจะต้องได้อาภิญญากรนะแต่ถ้าใจใฝ่ฝันอย่างนั้นก็ formas, ไม่ห้ามนะคุณไปดูกระสินน้ำไหมไปเล่นน้ำไหมก่อนเอเล่นน้ำทำไมจึงเหมาะสมกับน้ำครับเออไม่บอกหรอกมันจะได้เย็นแต่แต่สมัยสมัยในคําในคพุทการที่สำเร็จเป็นพ่อหานง่ายเพราะว่าในใน ก่อนหน้านั้นได้มีการเพราะว่าคนที่จะเกิดในยุคของพระสัมมาสัมเจ้าได้ในช่วงนั้นก่อนหน้านั้นเขาได้เคยเจริญสติปัฏฐานสี่ก่อนมาใช่ไหมครับตงจรทำให้เวลาเขาได้ได้ฟังพระโอวาทของพระสัมมาสัมเจ้าทำให้สําเร็จได้บรรลุได้เร็วขึ้นครับเพราะเขามีเพื่อนเดิมอยู่แล้วครับแต่คนที่เจอพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็มีนะเจอแล้วตกนรกไปเลยก็มีเจอแล้วไม่นับถือเลยก็มีคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่นับถือพระพุทธเจ้า ว่าศาสนาพุทธ เ, เป็นศาสนาที่ฝืนกับธรรมชาติธรรมดาธรรมดาของคนพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตัวเองคนชอบพึ่งคนอื่นแล้วพุทธเจ้าสอนให้เรียนรู้ตัวเองเราชอบรู้เรื่องของคนอื่นมันกลับพัวกลับหางอยู่ตลอดเวลาแล้วพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกเราอยากละทุกขแล้วพุทธเจ้าสอนให้ละความอยากก็ฉันอยากจะละทุกอ่ะมันกลับพัวกลับหางตลอดนะนั่นถึงไม่ได้ธรรมะ คนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนงั้นถ้าเรามีโอกาสได้ฟังธรรมะแล้วนะลืมเรื่องอื่นไปก่อนเอาไว้ชาติใดที่ไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเราค่อยฝึกกสินก็ได้ไม่สายเกินนะตอนนี้ฝึกสติไว้ก่อนนะเชื่อหลวงพ่อดีกว่าคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจรู้บ่อยๆเอาให้คนอื่นบ้างไปครับได้อีกอกี่คนคะหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งได้ไหมครับฮะ ไม่พออีกเหรอเดี๋ยวคนอื่นเขาบอมเรานะผมว่าถ้าเกิดเล่นเล่นกสินเนี่ยครับแล้วก็ทายแบบเออแต่ทา้แบบใจจิตใจยึดติดนะครับยึดติดแให้แบบไม่หลุดนะครับจะมีผมพ่อจะมีแนวทางที่แบบถ้าเล่นกรสินนะครับทายเกิดการเกิดว่าเราเราเป็นแบบยึดติดอยู่ในนั้นนะครับหลุดไม่ได้ครับผมจะมีไม่ทราบว่าผมพ่อจะมีแนวทางที่ เป็นสายตรงเลยครับก็คือเป็นวิปัสสนากรรมฐานไปเลยครับถ้าจะทําวิปัสสนาเลยก็ดีที่สุดเลยนะวิปัสสนาเนี่ยคือการที่เราสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไม่ใช่เห็นกายเห็นใจนะจะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั้นขั้นแรกเลยคุณต้องหลุดออกมาจากโลกของความคิดก่อนรู้สึกตัวให้เป็นก่อนใจลงไปคิดแล้วรู้ใจลงไปคิดแล้วรู้พอใจมันตื่นขึ้นมาคราวนี้ร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยดูมันไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเราเป็นคนดู จิตใจเคลื่อนไหวเราก็เป็นแค่คนดูไปเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในกายในใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกค่อยฝึกไปอย่างนี้นะอย่าไปเล่นเลยกระสงกระสินเสียเวลา<อ>มีคนมาบอกหลวงพ่อนะเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณนอบอกท่านเจ้าคุณนอวิจารว่าเสียเลยบอกกสินเป็นกรรมฐานของคนคโง่ท่านว่าอย่างนี้เลยนะเอาได้อีกหนึ่งเอาหนึ่งก็ได้สองก็ได้อ่อใจดี แต่กกคงไม่ถึงสองโหลหรอกเนาะเอะนามัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะก็ได้ฝึกมาบ้างอะคะ่ะทุกครั้งที่ปฏิบัติเนี่ยจะรู้สึกว่ากายอะเห็นชัดค่ะแต่พอใจเนี่ยหนูจะรู้สึกว่ามันรู้ลอยๆอรู้ไม่ถึงฐานตลอดอะคะไม่ถึงฐา น, นะ ค, ะค่ะปัญหาคือจิตไม่ถึงฐานนั่นแหละถูกต้องแล้วแล้วมันก็เหมือนติดตรงเนี้ยคะ่ะหนูไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงะะให้รู้ทันว่าจิตไม่ถึงฐานจิตไปเกาะในความนิ่งความว่างเราประคองมันจนชิน มันก็เลยนิ่งประคองหลวงพ่อทําหน้าให้ดุอย่างนี้ไม่เอาเลยนะเลิกเนี่ยเลิมหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมค่ะเนี่ยต้องจิตต้องอยู่อย่างเนี้ยค่ะจําได้ ย, ย, ยังสเผยยังค่ะเนี่ยอยู่ตอนเนี้ยไม่ใช่อยู่ใหญ่ตะกี้ค่ะเนี่ยเริ่มเข้าไปที่เดิมแล้วนึกออกไหมค่ะไหลไหลไหลเข้าไปจับอารมณ์ให้นิ่งมันจะคือมันละมันมึนมันชินว่ามันนิ่ง โดยบางทีเราเลยไม่รู้เลยว่านี่คือการที่ไปติดนะคะถ้าเมื่ไรใจมันนิ่งๆนะโล่งๆว่างๆนิ่งๆแล้วคงที่เห็นไหมมันเที่ยงมันแทนที่มันจะไม่เที่ยงมันเที่ยงเห็นไหมมันสุขแทนที่มันจะเห็นว่าทุกเห็นไหมมันบังคับได้แทนที่จะเห็นว่าเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้<ช>ถ้าเมื่อไหร่ไม่แสดงใจรักเมื่อนั้นไม่ใช่วิปัสสนาแล้จิตไปติดอยู่ในพบอันนึ่งล้ในความว่างๆนั่นอย่าไปประคองไว้ค่ะ ก็ถ้าหนูพยายามรู้ไปว่าตอนนี้มันรู้ลอยๆรู้ไม่ถึงฐานนี่มันจะช่วยแก้ใช่ไหมคใช่ได้ใช่ได้รู้อย่างที่เขาเป็นถ้าอยากให้มันถึงฐานรู้ว่าอยากแล้ไม่ก็หลุดออกมาเลยคบรใช้ได้นะที่ฝึกอยู่ใช้ได้คขอบพรคุณค่ะติดไม่รุนแรงหรอกธรรมสการหลวงพ่อครับก็ก็ปฏิบัติมาได้สักพักนึ่งครับก็เริ่มจากหนังสือวิธีแห่งการรู้แจ้งของหลวงพ่อครับได้มาสอสมเดือนที่แล้วแล้วก็ แลิลงมือปฏิบัติทีนี้ยิ่งปฏิบัติไปแล้วก็ศึกษาอ่านอ่านแล้วอ่านอีกก็มีติดตรงที่ว่ า, าไม่รู้ว่าตัวเองอติดตรงที่เพ่งจิตหรือว่ า, าตามดูอยู่ตามที่ควรจะดูครับคื อ, ส อ, ส, อสองข้อเนี่ยครับก็คื อ, อเราติดที่เพ่งจิตโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องแล้วครับถูกแล้วนะ ดูเรื่ดูไปอย่างสบายๆถ้าใจเรามีน้ำหนักขึ้นมาแน่นขึ้นมานะแสดงว่าเพ่งอย่างขนาดนี้เพ่งมันจะมีน้ำหนักเกิดขึ้นเวลาปฏิบัติเนี่ยครับสามารถที่จะดูทั้งกายดูทั้งใจในเวลาเดียวกันได้ใช่ไหมครัไม่ได้นะแต่มันสลับกันอย่างรวดเร็วมันเหมือนอย่างเราดูโทรทัศน์เนี่ยเราดูรูปสลับกับฟังเสียงแล้วสลับกับการคิด3มอย่างนั้สลับกันตลอดเวลาเลย งั้นในขณะที่มองรูปในโทรทัศน์เนี่ยขณะนั้นไม่ได้ฟังหรอกขณะที่ตั้งใจฟังนะรูปจะเบลอไปนะแล้วผมยกตัวอย่างขึ้นมาสักตัวอย่างครับสมมุติว่ากําลังเข้าไปอาบน้ำํำในห้องน้ำํำนะครับก็รู้สึกถึงความเย็นของพื้นที่มีต่อเท้าเราแล้วขณะนั้นเราก็เปิดน้ําอุ่นมานะครับน้ําอุ่นมากระทบตัวเราเราก็รู้สึกว่าเออมีความอุ่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกสบาย อย่างนี้ถือว่าเป็นการดูกายดูใจพอพยายามรู้อยู่ที่ร่างกายไม่ให้เกินกายออกไปอย่างการที่รู้ว่าพื้นเย็นนะไม่มีใครเคยเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรู้ตรงนั้นแค่รู้ว่าร่างกายรูปตัวนี้ยืนอยู่เห็นตัวนี้นะไม่ใช่เห็นพื้นเห็นพื้นนี่ไกลไปเห็นร่างกายมันยืนพอเปิดน้ำอุ่นมากระทบนะเห็นความรู้สึกอุ่นเกิดขึ้นความยินดีพอใจเกิดขึ้นรู้ทัน ความยินดีพอใจแต่ว่าไม่ต้องไปบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกยินดีกับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ห้ามความยินดีเกิดขึ้นให้รู้ว่ายินดีแล้วขออีกเหตุการณ์นะครับสมมติว่าเวลาที่เราเดินผ่านเอาง่ายๆในชีวิตประจําวันเห็นผู้หญิงสวยมาในระยะไกลครับใจเราก็รู้สึกว่าเอออยากเห็นแต่ว่า เ, เวลาที่เดินมาระยะใกล้เราควรจะบอกใจแล้วว่ายังยํา อย่างเงยหน้ามองเลยว่าให้อันนี้คือเราออภาวนาเนี่ยนะต้องดูสถานะของเราก่อนครับถ้าคุณเป็นพระนะก็ต้องไม่มองไว้ก่อนครับดีไมด่ดีเดี๋ยวจีวรหลุดตามผู้หญิงไปแต่ ค, คุณเป็นฆราวาสเนี่ยก็คนเรามันทําบุญมาดีมันเห็นของสวยอะแต่พอเห็นของสวยเห็นผู้หญิงสวยจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะถ้าไม่ได้ห้ามดูนะแต่ท่านให้รู้ทันที่จิต เพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือดูไปแต่ว่าให้ดูดูไปนะแต่ไม่ผิดศีล น, นะครับอย่าให้ผิดศีลศีลห้าสำคัญที่สุดพวกเรานักปฏิบัติต้องรักษาศีลห้าไว้แต่ทางจิตนี่เราไม่กดข่มเห็นผู้หญิงสวยมาใจมันชอบก็รู้ก็ดีกว่าเห็นผู้ชายห ล, ล่อแหละแนวทางที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้แต่เพียงแรงไปนิดนึง หลักของการดูจิตง่ายๆนะเม <ribly liches ifies> <debates> ื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดขึ้นท <sh ed themselves> <sh ี่จ <sh ed resort> ิตให้มีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงเนี่ยความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งความยินดียินร้ายมันเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อใจกระทบอารมณ์ต่างๆเช่นมันมีความสุขขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมา จิตเกิดกุศลเกิดอกุศลขึ้นมาเกิดปฏิกิริยาคือความยินดียินร้ายขึ้นมาที่จิตก็มีสติรู้ทันคอยรู้ทันอย่างนี้เรื่อยๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความยินดียินร้ายเกิดที่จิตก็รู้ทันแต่ฝึกอย่างนี้แหละไม่ใช่ห้ามนะไม่ใช่เห็นผู้หญิงก็ต้องไม่ยินดีไม่ใช่ก็มันจะยินดีใครไปห้ามมันครับขอบขอบนงพ่อ สมควรแก่เวลาแล้วนะคะทุกท่านนะคะขออนุ ญ, ญาตเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายทยธรรมและสังฆทานนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่หลวงพ่อประโมทประโมทโชวขอหลวงพ่อจงรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบกาลนานเทิน ยถาวาริวหฮาปูราปริภูเรนติสาคารังเอวเมวายโตดินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิฉตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชนตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปัจจายิโนจัตตารัวธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขขังพระลังภาวนานะช่วยตัวเองไม่ใช่ช่วยหลวงพ่อภาวนาไป